จึงออกพิจารณาพอพิจารณาทางด้านปัญญาก็ไปได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วเพราะสมาธิพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทัพพะสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนี้มีพร้อมแล้วเป็นแต่เราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่ปะปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไร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 Thank you.